อถึงหน้าไหนแล้วอรูปกรรมฐานเนอะคือเวทนาเนี่ยมีอยู่ในหลายพสูตรและหลายแห่งนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสติปัฏฐานสูตรเขาไว้คือตรัสรูปกรรมฐานก่อนที่เราเรียนกันมาในกายานุปัสสนาแล้วก็ยังอา ร, ปรมประทับอารูปกรรมฐานนี่เป็นใบอารูปกรรมฐานก็คือเวทนานี่แหละเวทนานุปัสสนาก็เป็นอารมณกรรมฐานจิตานุปัสสนาก็เป็นอารมณกรรมฐานนะ ด้วยอำนาจแห่งเวทนาในภายหลังก็แสดงไว้อย่างนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะในสติปัฏฐานสูตรนี้แห่งเดียวนะแม้ในสูตรต่างๆอีกเยอะเช่นในตัณหาจุลตัณหาสังกยาสูตรมหาตัณหาสังกยาสูตรจุฬาเวทัลลสูตรมหาเวทัลลสูตรลัสปาราสูตรมาคันธยาสูตรทาบวิภัมมะสูตรอเนียงชาสปายาสูตรในทีคณิกายก็ได้ในมหานิทานสูตรสักกาปัญหาสูตรก็ก็มาในสติปัฏฐานสูตรด้วย ในคัมภีร์สังยุศก็มีเช่นจูดานิทานาสูตรรุกโขปมาสูตรปริวิมังสนาสูตรแล้วก็เวทนาสังย์ในเวทนาสังยศก็ในเล่มที่ถ้าในฉบับของมหาบุกุฎก็ในเล่มที่หยิบกล่าวในเวทนาสังยุศก็จะตรัตเวทนาลุกปเสนาเขวถ้าในสักกะ ป, ปัญหาสูตรก็อยู่ในทีขัิกายในนี้ก็ออกมาแล้วขั้นท้ายก็จะมีมาเราสักกะ ป, ปัญหาสูตรมา ถ้าเราศึกษาในสูตรต่างๆเหล่าเนี่ยนะศึกษาตรงนี้เราทีนี้ท่านก็ยกมานะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยในเวในพิจารณาเวทนาอีกในหนึ่งนะในบทเหล่านั้นมีปริยายอย่างการรู้ชัดเวทนาแม้อีกอย่างหนึ่งดังนี้สุขขังเวทนาเวทยียะเวทียามีติประชานาติศึกษาว่าประชานาติเนี่ย เออบางครั้งเนี่ยท่านทรงใช้คําว่าย่อมรู้ธรรมดาก็นี้แล้วท่านใช้คําว่ารู้ชัดทุกเป็นตัววิปัสสนาก็มีใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นกรับว่าในในรู ป, ปรขันออในในในในกายานุ ป, ปัสสนาที่เราเรียนกันมาแล้วในอาณาปาณ ะ, ะบอกที่บอกนายช่างกึงหรือลูกมือของนายช่างกึ่งเมื่อชักเชือกกึงยาวก็รู้ชัดว่าชักเชือกกึงยาวอันนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงใช้ประชานาเต็มยัง อันนั้นไม่ใช่เป็นวิปัสสนานะเขาอุทายเป็นประโยคอุปมาประโยคอุปมาเออถ้าชักเชือกพึงยาวก็รู้ว่าชักเชือกพึงยาวถ้าชักเชือกพึงสั้นก็รู้ว่าชักเชือกพึงสั้นนัานลมหายใจเข้าและลมหายใจออกท่านก็เลยทรงก็เลยอุปมาเหมือนกันน า, กกกนายช่างพึงหรือลูกมือนายช่างคืงท่านก็ใช้คาว่าประชานาติแต่ประชานาติโดยทั่วๆไปที่พระองค์ทรงหมายอันนั้นหมายถึงการรู้ชัดอันนี้ก็ต้องทำความเข้า ใ, ใจ เพรเดี๋ยวนี้ก็ก็ยังมาพูดกันว่าแหม น, นักศึกษาคัมภีรสติปัฏฐานเนี่ยรู้ชัดตะพุดเลยว่าแค่นี้เน้นมากเน้นประชานาติเลยเลยทีนี้ก็ไปได้ความหมายของคาประชานาติในคัมพี์คัมภีหนึ่งรู้สึกจะในสุดต่างนิบาศอัตกถาจำบาลีไม่ได้แล้วเนท่านนี้บอกว่าเออประชานาติเนี่ยหมายถึงการรู้เป็นชื่อปัญญา คือโดยสรุปก็คือว่าปัญญาที่เป็นไปในกาลอมยวนจะถึงปัญญาที่เป็นไปในโลกุตละก็เหมือนกับคำปฏิเวทเน่ยปฏิเวท่คือการแทงตลอดถ้าแทงตลอดที่เป็นโลกิยะนั่นอย่างหนึ่งแทงตลอดที่เป็นโลกุตระนั่นอย่างหนึ่งถ้าแทงตลอดเป็นโลกิยาโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์เนี่ยแทงตลอดอั ฐ, ฐะธรรมอัฐะแล้วก็ทั้งธรรมะและอัฐะ like นั้นโดยชัดแจ้งเจนเลยกระทําให้เป็นอารมณ์ ถ้าแทงตลอดที่เป็นโลกุตระก็คืออะไรก็หมายความว่าการตัสรู้นั่นเองการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ประชุมองมค์มรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาถสติและสัมมาสมาธิเพราะประชุมองค์มรรคแปดเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นลมในขณะนั้นจะชื่อว่าไม่ง ม, มงายในธรรมะในอัตถะและในบัญญัติเพราะว่าสามารถตัดความมงายได้ด้วยมรรคยานนี้น นี่เป <bows>. ็นอย่างนี้ทีนี้ในเวทนาเนี่ยเวทนานั้นท่านบอกว่าพระโยคาวจรเมื่อสวยสุขเวทนาก็ให้รู้ชัดว่าเรากําลังสวยสุขเวทนาท่านถึงบอกว่าเพราะไม่มีทุกขเวทนาในขณะแห่งสุขเวทนาพระโยคาวจรเมื่อสวยสุขเวทนาก็จ้รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาทีนี้คําว่ารู้ชัดว่าเรากําลังสวยสุขเวทนาเนี่ย ไม่ใช่รู้แค่ตัวไปดูแค่เวินาเกิดขึ้นก็ดูแค่เวทนาเนะเข้าใจใช่ไหมเช่นตอนเนี้ยมันเกิดสุขใจขึ้นมาก็าเออตอนนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้ว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าตอนนี้ทุกเวทนาเกิดไม่ใช่รู้แค่นี้ในคําสอนเนี่ยต้องให้รู้ว่าไอเวทนาเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการเสวยรสของอารมณ์ใช่ไหมก็คือเสวย ถ้าทางกายก็คือเสวยโผฏฐาพรมที่ดีก็เป็นสุขเวทนาทางกายถ้าเสวยโผฏฐาพรมที um loyalty, store, ana, ่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนาอย่างนี้เป็นต้นนะนะถ้าทางใจก็เหมือนกันถ้าเสวยอิทฐารมคืออารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขเวทนาถ้าเสวยอณิถารมเนี่ยนะก็เป็นทุกขเวทนาเป็นต้นไปถ้าเสวยมัชชตารลมก็คือเป็นเวขาเวทนาไปอย่างนี้ อันนี้ไปรู้จักตัวเวทนาที่เวทนาเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งก็พยายามแยกออกจากเราให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปเข้าใจว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้เสวยเข้าใจยังเลยแยกตัวเสวยกําลังทําจิตของการเสวยสุขเลยทุกข์แล้วแล้วก็อุเบกขาไม่ออกก็เราไปโดยมากเลยจะเข้าใจว่าคือเขาเรียกสมูห์หาบัญญักษ์คือการที่บัญญัติขันธ์ขึ้นมาแมว่าที่จริงเนี่ยอาตมามองพิยนสมาน ถ้ามามองเห็นโดยสัตว์บุคคลก็นี่คือโยมสมานไงนี่ลักษณะอย่างนี้โยมสมานแต่ถ้ามองเจาะเข้าไปบอกว่ากลุ่มของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันกลุ่มรูปก็คือมหาโพธิโลกและอุบาทายาโลกใช่ไหมแล้วก็กลุ่มของเวทนาขันเป็นต้นเนี่ยจนถึงวิญญาณขันเป็นที่สุดที่ประชมกันเป็นลักษณะนี้ก็สมมุติว่านี่คือโยมสมานก็เห็นสมูหะบัญญัติของของกระแสขันของขันนี้กําลัง กำลังทําอะไรกําลังทําบุญและทําบาปอยู่และกําลังรับผลบุญและผลบาปอยู่เข้าใจยังเนี่ยเห็นกลุ่มของขันขันเนี้ยต้องเพิกบัญญัติออกให้ได้คําว่าเพิกในที่นั้นก็คือใช้ปัญญาแหละไปวิจัยไปพิจารณาว่าโอ้ที่บัญญัติวันนี่คือยอมสมานนะแล้วก็บัญญัติเป็นต่างๆก็ว่ากันไปถ้าไม่บัญญัติอย่างนั้นมันก็จะเรียกชื่อไม่ถูกใช่ไหมเราคลองเข้าใจ ทีนี้ในแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยในแต่ละกลุ่มกลุ่มของขันห้าที่กําลังนั่งๆๆ่งนังกันอยู่เนี่ยทุกขันห้าที่กําลังนั่งกันเนี่ยบางกลุ่มก็ทําจิตอะไรกันก็ว่ากันไปแต่แต่ละขันที่กําลังทําจิตกันอยู่อย่างเนี้ยแปลว่าอีกตัวสภาพของขันก็จะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาด้วยเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นมันก็จะหมุนมาตไปอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าศกเวทนาเกิดขึ้นเน่ะสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นาพารยาไม่ได้ฟังธรรมของพรรยาใช่ไหมไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บุษไม่ได้ไข้ควรในพระธรรมของสัตว์บุตก็ไปเข้าใจว่าเราเนั่นแหละสุขเรานี่นแหละทุกเรานั่นแหละเฉยๆอยู่เข้าใจไหมก็แยกสุข ก, กับเราไม่ได้แยกทุกข์กับเราไม่ได้แยกอุเบกขากับตัวเราออกจากกันไม่ได้ก็เลยสําคัญว่าไอ้สุข เ, เวาแยนนา น, า น, านเราก็อันเดียวกันนั่นแหละ เราสุขเวทนาเป็นเร า, าเราก็เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาอยู่ในเราเราก็อยู่ในสุขเวทนาเขาใหญ่ยัยงไม่แยกไม่ได้ยากไหมตรงนี้ถ้าถามเขาอุยก็ต้องไปค่อยค่อยวิจัยอะ่ะใช่เพราะว่ า, า, า, วาผู้โุชนเป็นแบบนี้แหละาาๆๆลการวิจัยการค่ควรการมนาศ ก, การนั่นแหละ คืออย่าลืมนะเราถกอะไรเราถูกอบวิชาปกปิดไว้อย่างนั้นแน่นเลยตั้นหากวิชาปิดใช่ไหมตั้นเอาวิชาก็ปิดเราก็คิดเห็นว่าโดยความเป็นเราหมดเลยเนี่ยถ้าเราแยกได้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมก็เห็นเป็นเพียงสภาวะของเวทนาชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาทํากิจแล้วกระดับไปทีนี้ ไอเห็นว่าจักไปในที่นั้นเนี่ยแปลว่าจะเข้าใจอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่เข้าใจตรงนั้นอย่างเดียวนะหนึ่งเข้าใจเวทนาว่าเป็นน้ําแล้วเวทนาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสัญญาขันสังขารละขันนวี ญ, ญาณขันแล้วก็ต้องอาศัยรูปขันเข้าใจแบบนี้ไปเสร็จนะแล้วสัตว์บุคคลก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เริ่มแยกจากกันได้เหมือนแยกกายกับใจอะ่ะตอนนี้เราแยกได้ไหมกายส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม นี่แปลว่าเรา ก, ก, ลกลายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มแย่งได้ทีนี้ในส่วนของเวทนามันอยู่ที่ใจอ่ะสังเกตใจบางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์บางครัง้ ง, งมันก็เฉยเฉยแสดงว่าตัวเวทนามันเข้ามาทํากิจของเขาในการสวยรดของอารมณ์นะเออมันอยู่ตรงไหนแล้วเราปรุงแต่งอะไรล่ะถ้าปรุงแต่งในเรื่องของความสุขความเพลิดเพลินไอ้สุขเวทนาก็เกิด ถ้าปรุงแต่งไปคิดตอนที่ผิดหวังดูดิโอ๊ยนะเนี่ยทุกเวทนาก็เกิดหรือถ้าหากว่าคิดเรื่องปกติธรรมดาก็อุเวขาเวทนาก็เกิดเห็นไหมไอตัวเวทนามันก็เกิดตลอดเวลานั่นแหละแต่รู้ไหมนะเราจะรู้หรือไม่รู้วิจัยหรือไม่วิจัยแค่นั้นเองทีนี้พอเริ่มรู้อย่างนี้แบบเสร็จเราก็จะเริ่มรู้ว่าเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยลําพังตัวมันเองไม่ได้ สุขทุกข์และอเบกขาเนี่ยเพราะตัวขงมันเองอ่ะทุคลคนรอบด้านด้วยสามกำลังด้วยเขาจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต้องมีอาศัยปัจจัยในการประชุมบงแต่งขึ้นต้องอาศัยสังขารและขันอย่างมากนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นคนจะทําสุขเวทนาเกิดขึ้นได้ต้องปรุงแต่งเยอะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันจะสุขเวทนาเกิดมันจะต้องปรุงแต่ง ถ้าจะยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะหาอาหารรดเลิกกินเนี่ยมันจะต้องปรุงแต่งในใจอย่างมากนะลํดาดับแรกก็โอ้อาหารนี้อร่อยดอีสารพัดละในขณะนั้นเราก็ปรุงแต่งลดโอ้ยในในขณะที่บริโภคไปก็ยังต้องปรุงแต่งสดชื่นจริงๆดีจริงจริงใช่ไมัดใช่ไห ม, ม, ไหมทีนี้ไอ้ตัวสุขเวทนามันก็เกิด ฉันบอกว่าตัวสุกเวทนาหรือทุกเวทนาก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งอดโดนด่าทั้งเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มาปรุงแต่งทุกเวทนาในใจจะเกิดไหมไม่เกิดค่ะเพราะมันอยู่ที่การปรุงแต่งใช่ไหมคิดไปเรื it, ่อยะเราถูกด่าสิเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวปรุงแต่งตัวนี้จะสนับสนุนทำให้ทุกเวทนาในใจเกิดขึ้นใช่ไหมเฮ้ทุกขเวทนาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้ว่มันอาศัยปัจจัยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆใช่ไม่ใช่เข้าใจอย่างเลยเนี่ย ทีนี้มันอาศัยปัจจัยอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าเวทนามันไม่ใช่อาศัยแค่การคุมแต่งอย่างเดียวนะเวทนานั้นมันจะต้องอาศัยเอาวิชาตรรกะกรรมในอดีตด้วยถามว่าทําไมสัตว์โลกบางจําพวกเกิดมาสวยทุกเวทนามากกว่าทุกเลยสัตว์โลกบางจำพวกทำไมสวยทุกเวทนามากกว่าสุขเลยเช่นสุนัขน่ะที่เป็นที่เรี้อนที่เลื้อนเนี่ยทํำไมเขาสวยทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนา อ๋อเอาวิชาตัณหากรรมเห็นไหมเพราะอาวิชาตัณหากรรมในเดียดเกิดเห็นไหมเวทนาทุกขเวทนาในปัจจุบันเกิดเพราะว่าคําว่ากรรมนั้นมีสองส่วนนี่กุศลกรรมกับกุศลกรรมถ้าอกุศลกรรมเขาก็ให้ทุกขเวทนาถ้ากุศลกรรมเขาก็ให้สุขเวทนานี้ก็แยกให้ไม่ถูกก็แยกไห้ถูกงนั้นถ้าว่าเราแยกไม่ถูกนี่นะเราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อกรรมเนี่ยเขาเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างไร นี่เรื่องพใจยังไงว่านี่ปัจจัยขอเวทนา ม, มากไม่ใช่น้อยและในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะ่ะเวทนาต้องอาศัยภาษาด้วยคือการกระทบการประชุมกันทางตาก็เป็นทุกขเวทนาเกิดได้ประชุมทางตาก็เป็นปัจจัยสุขเวทนาเกิดได้หรือเป็นปัจจัยกับเวกัาเวทนาก็ได้อาศัยอะไรอ่ะอาศัยตาอาศัยสีอาศัยจักรวญญาณอาศัยสามอย่างนี้ประชุมกันนี้เดียวผาภาษานั่นแหละเห็นอะไรอ่ะ ใช่ไหมแล้วก็เห็นธรรมดาถ้าเห็นคนทําชั่วกันมาทำไมเราทุกข์อ่ะใช่ไหมเห็นคนทําดีทำไมถึงสุขเนี่ยเห็นคนยิ้มให้กับเราทำไมถึ้สุขอ่ะเห็นคนที่ทําหน้าบึง้งหน้าเสี ย, ยวใส่เราทำไ ม, มเราทุกข์อ่ะมองเห็นอย่างนี้เนี่ยเออไอตัวผัสสาวะราไปชมปุ๊กขึ้นมาเนี่ยขาดโยนิโสมนสิการหน่อยเดียวก็ทุกขวเวทนาเกิดบ้างสม น, นสวเวทนาเกิดบ้างอุเบกขาวเวทนาเกิดบ้างบุญเกิดบ้างบาปเกิดบ้าง นั่นเวทนามันก็เป็นผลนี่มันก็วิ่งไปตามบุญตามบาปใช่ไหมมันเกิดกับชาวนาอะไรอ่ะเกิดกับโลภะชาวนะมันก็เป็นโสมานะกุเบขาถ้าเกิดกับโทสะชาวนาก็เป็นโทมานะถ้าเกิดกับกโมหะก็เป็นอุเบขาถ้าเกิดกับมหาพุศธมันก็เป็นโสมานะกับอุเบขาเนี้ยก็ก็ดูอย่างเนี้แต่ถ้าหาว่าเกิดในปฐมวชานเป็นต้นก็เป็นโสมานะเป็นต้นถ้าไปเกิดในปัจจมบชานก็เป็นอุเบขาเนี้ย ถ้าเกิดในมรรคเรเป็นสมนัสกับอุเบกขาอย่างเงี้ยก็ไปแยกแยะดูแต่ว่าเวทนาอะไรล่ะเป็นเวทนาที่ที่พึงให้เกิดใช่ไหมเวทนาที่ในกุศลก่อนก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวเวทนาที่ในมรรคเป็นต้นเหล่านี้นั้นเวทนานี่จะเกิดขึ้นมาต้องอาศัยปัจจัยไปชุบบุ้งแต่งนะแต่เวทนาไม่เที่ยงนะนี่นั้นถ้าเราไปคิดเพียงแค่อุเวทนาอันนทุกขเวทนาเกิดอนนี้สุขเวทนาเกิดคิดแค่นี้มันไม่ฮอ มันไม่ถ่ายถอนมันไม่เพียงพอต่อการที่จะละชันธราคาในเวทนาได้เลยมันไม่เพียงพอนะนี่เป็นอย่างนี้นงั้นก็ต้องมาไขควนให้ชัดนี่ก็อบอกว่าดูก่อักซิเออดูกอ่อักขิเวสนะในทีคณะสูตรในมันชฌิมนิการในมันชฌิมปัญ น, นาสนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เออตัดแก่ทีคณะฆาอักิเวสนาโคตรทีคณะฆาอักิเวสนาโคตรเนี่ยนะ สมัยใดเสวยสุขเวทนาสมัยนั้นหาสวยทุกขเวทนาไม่ใช่ไหมนี่คือท่านต้องการแยกท่านต้องการจะแยกสุขเวทนากับทุกขเวทนาให้ชัดก่อนว่าสุขเวทนาก็มีทุกเนะและหาสวยอทุกรมสุขเวทนาไม่ตอนนั้นก็ไม่ใช่เวขาก็แปลว่าท่านแสดงเวทนาสามย่อมเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นอันนี้ต้องแยกไหม จะต้องแยกต้องชัดตรงนี้ดูก่อนอัคิเวสนะสมัยใดสวยทุกขเวทนาสมัยนั้นหาสวยสุขเวทนาไม่หาสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่ย่อมสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเวทนาจากไม่มีการปนกันอย่างเด็ดขาดถ้าหากสุขเวทนาเกิดขึ้นตอนนั้นก็เป็นสุขจริงๆไม่ใช่ทุกไม่ใช่เว ข, ขาถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกจริงๆไม่ใช่ทุกไม่ใช่ไม่ใช่สุขไม่ใช่เว ข, ขา ดูก่อนอักขิเวสนาสมัยใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาสมัยนั้นหาเสวยสุขเวทนาไม่หาเสวยทุกขเวทนาไม่ย่อมเสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นนี่ไหมท่านสแสดงเวทนาเลยสามสุขทุกขแล้วก็อุเบกขาและท่านสแนนสดงต่อไปบอกว่าดูก่อนอักขิเวสนะแม้สุขเวทนาแลก็ไม่เทียงที่จริงท่านสแสดงตรงนี้เนี่ย ตรงเนี้ยเวลาแสดงเจอพุทธพจน์ตรงเนี้ยถ้าไม่ไปขยายเนี้ยฐานะแล้วมันจะเข้าใจผิด <Okay. S 1> ก็จะไปเข้าใจบอกว่าโอ๊สุขเวทนาเกิดขึ้นรู้เฉพาะสุขเวทนาว่าตอนนั้นไม่ใช่ทุกไม่ใช่เวขาทุกขเวทนาเกิดขึ้นว่าตอนนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่เวขาอุเวขาเวทนาเกิดขึ้นตอนนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเนี้ยเข้าใจแค่นี้ยังไม่พอ ที่ยังไม่พอก็บอกว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งนะไอ้สุขเวทนาไม่ใช่อยู่ๆมันก็จะขึ้นมาเฉยๆย่างเงี้ยมันอาศัยปัจจัยเยอะทั้งอาวิชาตันหกรรมในอดีตแล้วก็ผัสสะตลอดถึงนิพพติลักษณะในปัจจุบันเป็นปัจจัยให้กับสุขเวทนาใช่ไหมเอาวิชาตันหกรรมเช่นกุศลกรรมนี่ก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาในปัจจุบันเรพบแล้วผัสสะเป็นที่ตั้งหิห่งสุขก็เป็นให้ปัจจัยกับสุขเวทนาใช่ไม่ใช่ ถ้าเรามองเช่นมีเสียงพ่อเนี่ยเช่นกําลังนั่งสนทนากันในพวกเอ่ก็คนก็ ค, คุยกันขโมงชงเฉงเนี่ยเนี่ยเออไม่ได้สนใจฟังก็ทําทเลยเงี้ยเห็นไหมคนมนักสการไม่เป็นก็ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าคนมนักสการเป็นเขาก็ไม่ทุกข์เพราะเขาก็ต้องคิดว่าอ๋อเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้กอทำกรรมไม่เหมาะใช่ไหมแล้วก็เห็นคนกําลังทํทบาบุญทําบาปกันอยู่เงี้ย เอ๊นขนาดเรามาฟังธรรมยังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาหน้า ส, สิการต์โอ้หนี่เห็นไหมอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเนาะอ๋อมันเป็นผลที่เรากระทาไว้แยอดีมันก็ตามให้ผลแม้กระทั่งในห้องศึกษาประทับเข้าใจยางไอคนที่ทําใหม่ก็กลายเป็นทําอกศรศละกรรมไปไอเราก็รับบาปคือผลของกรรมทวามกรรมเก่าไปเข้าใจยางเดี๋ยวนี้ยถ้าเราเข้าใจแบกิดสิ่งนี้ก็เริ่มแยกเป็นแล้วเริ่มจะแยกเป็นโอ้อผลเราเนี่ย ถ้าไม่รู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยโอ้มันทําได้หมดนะว่างั้นนะพอพิจารณาอย่างนี้ก็เออจะเรื่องเข้าใจแนละ้วใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าเราจะเห็นเยอะแยะไปหมดแหละบางคนเดี๋ยวนี้เขามีการสวน ส, สนาธารณะไอ้กลุ่มพระประเทศไว้ไอ้กลุ่มจะวิ่งออกกําลังกายก็วิ่งกันไปดูสิเนะี่ยเขาก็าไม่รู้นะว่าเขาาไม่เคารพประธรรมว่าเขาไม่รู้นะไงนะเขาทำบุญทั้งบาปต้องดโดนเป็นนะ ก็ขาก็มีโซเชีนาลับโเชียลนาช่ยเขได้ศึกษาว่าปากไม่ปากอ๋อปัญหาก็คือว่าปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าเออถ้าหากว่าคนก็กำพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่สาวกของพระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็ยืนฟังยืนตั้งแต่หัวเข่ามยันสว่างเนาะออกพอสว่างแล้วพระอ้าวถ้าแต่พระองค์ก็จะยกองคมาตั้งแต่เมื่อไรก็ออกมาแต่หัวเข่า โอ้โหเนี so os, us, um, so ่ยเจ้าของฟังเจ้าของธรรมมากเราฟังเองเลยใช่ไหมพระที่เจ้าเป็นธรรมสามียืนฟังสาวกแสดงธรรมคิดดูดิพระเจ้าบอกว่าเออเราตถาคตเคารพธรรมถ้าเธอแสดงธรรมตลอดถึงกลับนี้สิ้นไปตถาคตก็จะยืนยืนฟังตลอดกลับนี้สิ้นไปนี่แปลว่าอะไรพระที่เจ้าเคารพธรรมเพราะว่าธรรมนี่พระทีเจ้ายังเคารพเลยแล้วเราเป็นไทยเลยคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ไฟเนี่ย ไม่ใช่ไฟเนี่ยเราไม่รู้มือไปจับแล้วร้อนไหยเออเหมือนกันนั่นแหละของอะไรถ้าเป็นบาปท่าก็คือบาปใช่มหมจ๊ะคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาคือบาปถ้าไปเจอเกนีก็คืออย่างที่เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยวัดตื่นใ่ีอกรรมกาห้าโมงแต่ได้ห้าโมงพระต้สวดแัโบสถ์กับี่แตรระเบิดเส้นตรงกันอันนี้วิทยากรเป็นจารา วิทยากรจะแต้นเที่ยวๆพวกหนูก็เลยบอกไม่ได้ทำบาปเพราะเราเป็นผู้เขาเป็นกิจลาภไม่เอามีกว่าเป็นเป็นกรรมใช่ไม่ควร้าอาจารย์วัดุท่านเคยบอกไหก่อนนั้นก็คือถ้าเราทาอย่างนั้นก็โยนสเลยกเราจะบรรลุแต่ละครั้งแล้วก็เจอเหตุการณ์ไม่ได้บรรลุสักทีเขาบอกท่านอยู่ในโบดถ์เรอยู่ข้างนอกมาตื่นผมไม่ได้ต็นกรรมโยนขับมอเตอร์ไซคถึงกลับ้านโยนซาิลาภผมไม่เป็นไรไม่เป็นไผมไม่ได้แล้วเขาแท เรื่องกรรมมันไม่เกี่ยวกับแคร์เลยพูดแล้วก็ก็ตรงนั้นก็ศึกษาตรงนี้ถึงบอกว่าก็หนึ่งการสมัยใดเสวยสุขสมัยใดเสวยทุกสมัยใดเสวยอธุกรรมสุขที่พระองค์แสดงอย่างนี้ก็คือต้องการให้รู้ปัจจัยของสุขเวทนาปัจจัยของทุกขเวทนาแล้วก็ปัจจัยของอธุกรรมสุขเวทนาเมื่อเรารู้ปัจจัยแล้วเนี่ย จึงมาประชุมลงในไตรลักษณ์อีกทีพราะยังไงะเพราะว่าการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นน่ะเขาดูตัวปัจจัยก่อนก็เหมือนให้สังเกตดูนะว่าสมมัสนญาณเนี่ยหรืออุทยพยัญาณยาทั้งหลายเนี่ยก็แปลว่าจะต้องผ่านการประชุมลงปัจจัยทั้งหมดแล้วแล้วต้องชัดเจนในนามรูปอย่างดีแล้วเวลาเราศึกษานามรูปปริเฉต ย, ยานเนี่ย เราก็เลยไปเข้าใจเพียงแค่แค่น้ำโลกมั้งทั้งท้ที่ก่อนที่จะมาศึกษานา้ำรูปถ้าไปดูในคำบีวิสุทธิมาร์กเนี่ยเขาจะต้องศึกษามาหมดแล้วเรื่องปัญญาสังเกตดสูสิศึกษาเรื่องปัญญาเบ็ดเสร็จแล้วก็ศึกษารูปขันเว ร, รานาขนัานสัญญาขนัานสัญสารขันปัญญาขนัานแล้วก็ต้องชานาญในปฏิจจสมบัติทั้งหมดก่อนแล้วจึงมาศึกษาอะไรมาศึกษานา้ำโลกนามรูปปริเสธทายา พอจอบจากนามรูปปริเฉตยานก็ไปปัจจะยปริกขายานต่อจากปัจจะยาปริกขายานจึงเป็นสัมม า, าสุนัยสมัชส ม, มัชสุนาัยานก็คือมาเห็นความไม่เที่ยงของปัจจัยและผลปัจจุบันนั่นเองถ้าไม่รู้ปัจใจปัจจุบันไม่รู้เหตุและผลเนี่ยนะเช่นเราดูขันธ์ที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันนี้เป็นผลแต่ผลเหล่านี้มันมาจากสมุทยัยมาจากเหตุนเนี่ยนะก็ต้องรู้เหตุด้วย เพราะเหตุมันไม่เที่ยงผลยิงไม่เที่ยงอะเหตนเป็นทุกข์ผลยึงเป็นทุกข์เหตุเป็นอนัตตาผลจึงเป็นอนาตาเหตุไม่งามผลยึงไม่งามเนี่ยจะต้องมาวิจัยประชุมลงแบบนี้อะนรอะไออันนี้จังทุกขรั้งอนัตตามนันนึกจะชัดดูก่อนเอาคิกเวทนาแม้สุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเห็นไหมท่านเน้นลงไปเลยคือสุขเวทนาเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งนะ อาวิชาตระหนักรรมปรุงแต่งใช่มใช่ผัสสะก็ปรุงแต่งนิพพติลักษณะก็ปรุงแต่ ง, งนี่มั้ยแล้มีอีกเยอะถามว่าสุขเวทนาอาศัยกา ร, รัชกายไหอาศัยเนาะถ้าไม่มีกายนี่สุขเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นทำมถึงปั่นปัญญาวรรภูมเนี่แล้วก็ทุกเวทนาก็อาศัยกา ร, รัชกายด้วยเนาะนั่งมา น, นานก็เริ่มทุกข์ใช่ไหมยอมเวลาศึกษาวิธีธรรมนี่เอาสอมนัสเวทนาหรือเอาเบคาเวทนานี้ เอาอะไรดีสมมานัตนะยในขณะที่ศึกษาพระธรรมรือฟังพระธระรมีโทมานัตสเสวนาดีไหมทีนี้สมมานัตนี่ยนะเอาสมมานัตที่ประกอบกับโลภะหรือสมมานัตที่ประกอบกับกุบกบกบศลที่ประกอบกุศลนี่ประกอบกับกุบศลวนะอุเบกขาเขเหมือนกันใช่มทีนี้จเาจเจ้ากุศลประเภทไหนสมมนัตที่เป็นญาณะสามยุทธหรือวิยบยุทธเอาอสังคาริหรือ ส, สอาอาังคาริสังคาริ แมตอนพูดเอาอย่างนี้แต่ตอนทําไม่ค่อยทำแม้ตอนทีนี้โสมนัสที่เป็นมหากุศลที่เป็นโสมนัสด้วยเป็นอสังขาริยด้วยเป็นงานอสังขายุทธ์ด้วยตรงนั้นมีอะไรบ้างอะ่ะศรัท ธ, ธาสติหิริอตตปาโลพาโทสาสตรธรมะชัตตาใช่ไหมศรัท ธ, ธาต้องนํำนะตถากตาโพธิศรัทธาตอนนี้ชัดไหมชัดจริงรึเปล่าน <c oughs> พูดใ แม้พราเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นใช่ไหมอาลาหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสำมาสมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ในพระ อ, องค์เองเนี่ยน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนโอ้เนี่ยเป็นบุญญาลาภของเรานาะได้มีโอกาสศึกษาเวทนานุปัสนาสติปทานได้บุญแล้วเนี่ยตั้งอธิยาไส้อย่างนั้นชัดปีว่า หรเป็นอุเบกขาหรเป็นสองมณัตโดยดีด้วยนะป็นยานอสสปยุทเ์หรืไ ป, ไปยุท์เป็นสสังคาลิสสังคาลิสแต่เวลาตอนนั้นอ้โหเราเราก็ท่องมาได้หมดใช่ไหมแต่พอ ม, มาจเจริญจริงๆเรากลับเจริญอีกตัวนึงต้องระวังนะตอเนี้เันเวลาเวลามาเรียนใช่ไหม เ, ออเวลาเวลาที่เราท่องเราโอ้โหเราจาได้หมดเลยนะยอมหวานนะแต่พอ ม, มาเรียนจริงๆทําทมมันง่ยนย่อยเงเงเจากนไอ้นี่มันผิดปกติแล้วใช่ไหม ยี่ทำไมกระตุ้นใช่ไหยขนาดพระธรรมของพระพุทธเจ้ายัางกระตุ้นไม่ได้ถามว่าจะให้ใครกระตุน้นเนาะว่เตือนตัวเอ ง, องนี่นี่ยนี่ทำไมเวลาเขามีโฆษณาเรื่องทางโลกโลกมันทำไมสมนันนัดเกินเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมเคขนลุกไหมเวลาเขาโฆษณาทางโลกใช่ไหมเมื่อี้เขาโฆษณาขายของอะไรอยู่ฟังแล้วทีโสมมันนัดเกิดอีกเลยฉะนั้นสุขเวทนาแรงไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นใช่ไหม มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาถามว่าสุขเวทนาเนี่ยอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นไหมอาศัยหรือไม่อาศัยสุขเวทนาเนี่ยอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นไหมอาศัยหรือไม่อาศัยอาศัยเนาะทีนี้ถามว่าสุขเวทนาอาศัยปัจจัยอะไรเนอาศัยปัจจัยอะไร ทัศได้ไหมอาศัยอวิชชาได้ไหมอาศัยตัณหาได้ไหมอาศัยกรรมก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าสุขเวทนาเนี่ยถ้าหากว่าประเภทที่ทํากุศลกรรมไว้เยอะสุขเวทนาก็เกิดง่ายใช่ไหมทีนี้พอสุขเวทนาเกิดมันเกิดจากกุศลกรรมก็ได้เช่นเราจะเดินกุศลกรรมไปเยอะี่หรือทํากุศลกรรมบอยมากกุศลกรรมก็ให้ผลเพราะกุศลกรรมนั้นให้ผลปุ๊บสุขเวทนากเกิด หรือบางทีผาัสาะเนี่ยเรอยู่ในถิ่นที่ดีอในถิ่นของบุคคลที่มากไปด้วยสุขเวทนาเป็นต้นหล่เนี้่ถ้าลองดูที่เทวดากลุ่มพรมทั้งหลายเนี่ยสุขเวทนาเขาเยอะมากเพราะบรรยากาศ ข, าของเขาอะไรของเขาของเขาขเข า, ขอเขาบอดเบา บ, บางใช่ไหมแล้วสุขเวทนาเขาเกิดง่ายมองไปที่ไหนก็มีสิ่งสวยๆเข้ามาใช่ไหมนั้นสุขเวทนานั้นมาจะกกรรมเป็นปัจจัยบางมาจากตัณหามยายวิชาแล้วประมาผสานเป็นที่ตั้งอีงสุข แล่วก็สุขเวทนาก่อนๆ ก, ก็เป็นปัจจัยกับสุขเวทนาเวลาหลงอูกเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทําให้สุขเวทนาเกิดเหตุปัจจัยนั้นก็ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็สิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้คลายไปก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ปัจจัยของเขายังไม่เที่ยงเป็นเนี่ตัวเวทนาเขาก็มีความเสื่อมไปคลายไปแล้วประดับไปเป็นธรมปปนธรมดาในลักษณะอย่างนั้นเหมือนเดินมีเป็นอย่างนี้ ดูก่อนอภิเวชนะแม้ทุกขเวทนาไม่เที่ยงอนปัจจัยประชุมปรุงแต่งอาศัยกัดใจเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดับไหมทุกขเวทนาก็ดับไปแล้วเนาะในอดีตที่ผ่านมาเคยทุกไหมในพบที่แล้วถามว่าทุกขเวทนาในใบภรมดับเป็นหมดหรือยังของเราในอดีตดับหมดหรือยังดับแล้วแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ไหม เราเราเราเชื่อไหมว่าเราเนี่ยมีเราทําเราสร้างทุกเวทนาในใบยภูมิไว้แะเชื่อไหมอ้าเชื่อไม่ยอมสมัยยอมเชื่อไห <S <S ทุกขเวทนาในใบยภูมิดับถาวรนีอยังใช่ไหมนั้นถ้าทําโสดาปฏิมาศให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเราจะดับทุกขเวทนาในใบยภูมิได้แต่ตอนนี้เราทุกเวทนานั้นเราสร้างเรียบร้อยไว้นะอากุศลกรรมทำเบ็ดเสร็จไปหมดแล้วอันเนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคิดนั่นเราทำเบ็ดเสร็จแล้วกรรมนั้นสําเร็จผลแล้วไหมและทำมามากด้วย กรรมมันมีอะไรคารกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมกระตั้วาวาบักรรมถ้าใกล้จะตายนี่นะคารุกรรมจะให้ผลก่อนคือกรรมหนักคนใกล้ตายนี่นะถ้าคารุกรรมไม่มีโอกาสอาสนกรรมตอนใกล้ตายนั้นคุณทําอะไรถ้าก่อนใกล้ตายเนี่ยคุณกาําลังคุณคิดอะไรอยู่อะไรปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นฉะนั้นในขณนะนั้นอนะ่ะจะให้ผล ถ้าสรรนกรรมไม่ให้ผลอาจินกรรมอาจินกรรมนี่อะไรบ้างอ่ะถ้าที่เราเคยทำเสมอๆใช่ไหมฟังตลอดเลยไหมใครฟังตลอดจะเป็นอาจินกรรมแล้วจะไปส่งผลใกล้ตายนะถ้าทำกรรมฐานต่อเนื่องแล้วจาค่ะพอดีขอให้เป็นกรรมฐานนะอย่าเป็นมเมตินาพทานะิท่เท า, าเนี่ยคือทำนะที่แท้เ่าจะบางคนเนี่ย คือคือพูดเรื่องปฏิบัตินีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยอมก็ถามมันเ ย, ยอะยอมมาฟังกันตั้งเปร้อยก็เป็นนักหลายสำนักมากัหนหัึงนั้นใช่ไหมเนี่ยผลปรากฏว่าพวกยังไม่จบก็ไปต่อวันเสาอีกพูดเรื่องปฏิบัติพอพูดเรื่องปฏิบัติเนี่ยก็เลยบอกว่า เชื่อว่าชาวพุทธร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าจิตติเข้าใจคำว่าปฏิบัติไม่ถูกแท้ที่จริงคําว่าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคํากลางๆมันไม่ได้บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนะคําว่าปฏิบัติเนี่ยทีนี้ถ้าเราเข้าใจคําว่าปฏิบัติมันเป็นภาษาง่ายๆของเรานี่แหละมันไม่ได้สูงเลิศและไม่ได้ต่ออะไรเป็นเกินเลยเป็นคํากลางๆเหมือนกับคาว่าเหมือนกับคาว่าบุตรเนี่ย ใช่ไหมบุตรเนี่ยมันมีคําว่าธุระบทกับกาลยานบุตรเนี่ยนะธุระบุเนี่ยแปลว่าบุตรชั่วกาลยานบุตรคือบุตรดีนี่นะแต่คําว่าปฏิบัติก็เหมือนกันมันมีการปฏิบัติดีและปฏิบัติชั่วนี่ต้องแยกให้ออกถามว่าไปปฏิบัติเนี่ยมันมีการปฏิบัติดีและปฏิบัติชั่วทีนี้อ่านทีนีเ้เดี๋ยวจะแยกให้เห็นทีนี้ว่าถ้าขณะใดา โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในกระแสจิตในขณะนั้นอโลภะโทสะโมหะก็ผักดันทําให้กายกรรมแสดงออกมาทําให้วจีกรรมพูดออกมาทําให้มโนกรรมดชิดออกมาใช่ไหมจ๊ะอย่างนั้นก็ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วใช่แต่ปฏิบัติเช่นพูดด้วยโลภะบ้างพูดด้วยโทสะบ้างพูดด้วยโมหะบ้างหรือยืนเดินนั่งนอนด้วยโลภะโทสะโมหะบ้างคิดด้วยโลภะโทสะโมหะบ้าง นั้นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับกายทุจริตวิจีทุจริตแล้วมโนทุจริตเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่ดีเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ย น, นี่เขาแยกให้ออกทีนี้คําว่าปฏิบัติดีเนี่ยหมายความว่าทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตพอศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนะศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไปเป็นทำไงศีล ส, สมาธิปัญญานั่นก็ไป ชำระกายกรรมวจีกรรมและอาชีพให้บริสุทธิ์อันนี้เขาเรียกว่าเห็นไหมกุศลศีลดีแล้วถ้าชำระจิตให้บริสุทธิ์ีจิตดีเป็นสมาธิชำระปัญญาให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นปัญญาวิสุทธิศีล ส, สมาธิปัญญามันเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านกุฎายแปลว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติ ด, ดีนั้นคําว่าปฏิบัติเห็นไหมที่เราบอกว่าไปเจริญกรรมฐานอย่างนี้เจริญกรรมฐานมันต้องเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกระแสจิต แต่ถ้าตราบใจไปเข้ากรรมฐานแต่โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในกระแสจิตแปลว่าอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าทํากรรมฐานแล้วเช่นไปนั่งอยู่แล้วมันปบางคนก็ร้องไห้โกรธคิดถึงที่เคยถูกประทุษร้ายโลภะโทสะก็เกิดโทสะกเกิดก็ขับเคลื่อนทั้งกายกรรมวิจีกรรมก็บ่นเพิ่มเมื่อนกรรมก็เป็นทุกข์แต่ก็อยู่ในห้องกรรมฐานนั่นแหละ ถามว่า น, นี่เรียกปฏิบัติตรงนี้แหละมันก็คือกิเลสเกิดอย่าไปอย่าไปเรียกว่าสภาวะทำเขาเรียกกิเลสก็คืออย่างนี้ถือว่าก็คือก็โดยในกรารมาฉันทะนิวรณ์นี่กามาฉันทะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเออเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูนยิ่งขึ้นก็ปัญหามันอย่างที่อย่างเวลาไปปฏิบัติเนี่ย น, น, นเข้าใจเวลาไปปฏิบัตินี่ไหมว่าในในกระแสในจิตเนี่ย มันเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยถ้าบ้านหลังนี้เบีดเสร็จแปลว่าเราจะต้องป้องกันโจนรขโมยใช่ไหมโลภะโทรศัพมันโจรก็เหมือนขโมยเราก็ต้องปิดให้ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันเข้ามาทำยังไงก็ต้องให้เขาออกไปงั้นก็ต้องให้เขาออกไป<ษ>ใช่ไหมก็<ษ>คือ<ร>ต้องเชิญเขาออกไปนะโลภะเราไม่ต้องการแล้วโทรศัพเราไม่ต้องการมั่วเราไม่ต้องการวิธีการคืออย่างนี้ ก็ถึงถ้าคนแต่ตอนนั้นก็เาเรียกว่าตีเหล็กเกิดก็เขาเรียกปฏิบัติไม่ดีแ ล, แล้วคือตรงนี้ไงที่าอาจารย์มาตึองบอกว่ารู้แค่นั้นมันยังไม่เพียงพอเนาะคือคือ<ม><ม>คือมันไม่เพียงพอไงซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วมันยังละอะไรไม่ได้ดไใช่ไห ม, ไมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราถ้าเราศึกษาให้ดีเนี่ยแล้วเราจะรู้เหตุผลมากกว่านั้นก็อย่างที่บอกไงใช่ไที่บอกว่า เราไม่รู้เลยว่าโลภะจิตเป็นอย่างไรโทสะจิตเป็นอย่างไรโมหะจิตเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็เหมือนเราไม่รู้ว่าคนคนนี้ยมันเป็นโจรหรือเป็นขโมยพอมันเข้ามาในบ้านเราก็ยังไม่รู้แต่พอมันแสดงอะไรต่างๆออกมาหเห็นเราจรึงมารู้เอา้าแปลว่าของมันหายไปแล้วมันลักไปแล้ว มันลักไปแล้วทําไงตอนเนี้ยเขามันมาป้นศีลสมาธิปัญญาอย่าลืมนะว่ากิเลสเวลามันเข้าสู่กระแสจิตแต่มันมาปนอริยาซับมันป้นไปหมดแล้วแต่ว่าคุณเสียหายแล้วเนี่ยคุณกําหนดมันก็ไม่เมันไม่ทันแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันหมดไปแล้วอ่ะวิธีการทํายังไงก็มานสิการใหม่เข้าใจป่ะมานาสิการใหม่ ก็นั่นแหละโยนิสมนัศิการใหม่เพราะเพื่อจะทำให้กุศลศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามนัิการไปเนี่ย<ม>กิเลสมันได้โอกาสเพราะมันเคยคลองกระแสขานี่มานานมันกลับมาเกิดอีกเอามารู้อีกทีเอามันป้นไปหมดอีกแล้ว<ม>ก็อย่าไปเสียใจท่าน<ม>ใช่ไห ม, มก็เพียงแต่มนักิการ<ม>บอกว่าเนี่ยเราศึกษาไม่ดีเป็นแบบนี้ใช่ไหม ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวนงถามว่าปัจจุบันในกิเลสเกิดได้ไหมอรมาอุปมาชัดเลยทั้งแบบเคยบอกว่านักมวยเนี่ยเวลามันขึ้นชกกันบนเวทีเนียมันโกรธกันมั้ยบางทีมันขนาดชกมันโกรธนะถามว่าในขนาดนั้นอารมณ์ปัจจุบันไหยในขณะที่กําลังจะชกกันในปัจจุบันไหม บางทีก็โลภะเกิดบางทีก็โทสะเกิดใช่ไหมอีกคนหนึ่งชกเราเนี่ยบางทีก็โมหะเกิดใช่จ้ะถึงบอกไปปัจจุบันนั่นแหละเกิดดีนักหนากิเลสเนี่ยเวลาคนจะทําบาปเนี่ยเขายึดอารมณ์ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เนะเช่นเวลาจะรักของเนี่ยไม่ใชใ่รักของในอดีตหรือรักของในอนาคตเนี่ยมันรักของปัจจุบันบ น, ยยบนี่แหละโยมเนี่ยไอ้แว่นนั่งแว่นวางอยู่ตรงนี้มันจะหยิบไปเดี๋ยวนี้โลภะเกิดไหมตอนเนี้ยมันก็เกิดใช่ไหม มันถึงบอกไงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปารบมาก่อนนั้นก็ได้กิเลสเนปารบอารอมณ์นาคตก็ได้เช่นเราจะต้องไปรักของปารบอารอมณ์อดีตก็ได้ไม่ได้รักมาวันนั้นยังไม่จกี่วใจเวลานี้ถึงบอกว่าสามการมันเป็นปัจจัยกิเลสเกิดได้หมดเมื่อสามการมันเป็นปัจจัยกิเลสเกิดทั้งหมดเนี่ยวิปัสสนาปัญญาจะมารู้เฉพาะปัจจุบันอการอย่างเดียวมันยังไม่พอเข้าใจเนาะ อาสติสัมปชัญญะนั่นแหละกำหนดทีนี้สติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะมันจะต้องมีอาหารมันจะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นขาวว่าร่างกายที่โยมเดินมามาฟังทมได้เนี่ยโยมอาศัยอะไรอาหารถ้าไม่มีอาหารโยมเดินมาถึงนี่ไหมเห็นไห ม, มก็ต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมอาศัยปัจจัยในการประชุมปรุงแต่งขึ้นนี่ก็เหมือนกัน อันนั้นอันนั้นเป็นเพียงยอมเป็นนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั่นเองนะแต่ถ้าเราถามว่าในจํานวนพันคนหมื่นคนเนี่ยไปใช้รูปแบบเดียวกันในการลากิเลสเด้ยวกันนั้นถึงบอกว่าถ้าเราศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วเราจะได้ไม่ไปติดถึงนั้นเนาะเนี่ยเรียนให้เข้าใจหุ่นนั่นในที่สุดจริงๆเนยเราจะชาระความเข้าใจตรงนั้นจ้ะ